أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه لا س ت ع ي ن ولا ع د و ا ن إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الح ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ر ض د د ي ت ولك الحمد ودريت والشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله أرسل الله ب ا ل ه د ا و د ي ن الحق ليستمر الدين كله ولو ك ل ه ا ل ك ا ف ر و ن ولقد أدى الأمانة وبرر ا ر س ا ل ه ว่าเจ اهد في ح ق ه ذ ه فجساه الله أنى وعن أمته خير مجازاه نبيا أن عمتى أما بع سلام عليكم و ر ح ال ال م الله وبركاته ตร์กล ل ا ว ل ั้งนั้นใน ت ้อที่90บทที่9 ا บท ا ี่90บทที่90บทที่90 ل ทที่90บทท ا ่90บทที่90บทที่90บทที่90บทที่9นบทที่90บทที่90บ ا ที่90บทที่90บทที่90บทที่90บทที่บทที่90บทที่90บทที่90บทที่90บทที่90บที่90บทที่90บททีบทที อ๋อมีพี่น้องเจ้งว่าเสียงกล้องไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการนิดนึงครับผมคิดว่าน่าจะทำอะไรได้อินชาลาครับ f u t r e f u t r t r อ, อ, อ, อ, อ่พอจะดีขึ้นไหมครับหวังว่าจะดีขึ้นสักหน่อยอินชาลาครับผม ถ้าหากว่าเสียงกล้องอยู่เดี๋ยวแจ้งได้นะครับผมก็บารกะกะลอฟกุลครับพี่สันมาสลามมาคนแรกนะครับทางนี้ไม่มีใครแสงได้ก็วันกุมรามลตุลอว่าบาระกตเชียกับคุณซาดาซงสลามเต็มๆ ม, มาเช่นเคยนะครับผมก็วันกุมสามตุลอว่าบาระกาตครับเอ่อพี่ว น, นี้ครับพี่สาวนะครั บ, บอกการแล้วก็ทําภาพเสียงชัดเจนบารกลอฟีกุมครับผม ครับพี่น้องทิรักที่ครับ ค, บคับเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงอัลลอฮนเจะอัลลอฮฺอายนาบริซัณาวะชัฟไตวะฮะดีนาฮุนนเจดานเราไม่ได้ให้ทางนําแก่เขาไปสู่หนทางทั้งสองทางกระนั้นหรือก็คือหนทางที่เป็นที่รักของอัลลอฮุ سبحانه และตาลากับหนทางที่ทําให้พวกเราต้องสงเกียรติเรากำลังพูดคุยกันอยู่ครับว่ามีสัญญาณอะไรไหมที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าพระอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และตายละนั้นอย่างรักเราอยู่ เพราะว่าความรักของพวกเราเมื่อพูง ร, รักใครนั่นจะเป็นความรักที่เป็นอามาตะอยู่ตลอดกาลอย่างแท้จริงซึ่งไม่มีวันจางหายไปอย่างเด็ดขาดเราได้พูดคุยกันเมื่อตอนที่แล้วครับผมอบารกักอลฟีกลุมครับบอกว่าสิงชัดเจนแล้วนะครับอ่าสิงหล่อแปลวจ้าจตัวไม่หล่อนะครับผมมาชาล่าเซอร์เรนครับผมคนเดิมตอนทีแล้วที่พูดแล้วนะครับว่ามี อย่างน้อยอยู่ประมาณ9้าถึงส0สัญญาณที่ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าพระลอสซูบฮานวาตานั้นรักเราอยู่แล้วได้คุยไปแล้วสาสัญญาณครับเราได้คุยแล้วสาสัญญาณสัญญาณแรกครับก็คือครอบครัวใดก็ตามที่ว่าเขาเป็นครอบครัวผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมแล้วเขามีความอ่อนโยนให้กันและกัน นั่นเป็นสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าพลอลล์นั้นรักครอบครัวนั้นทางครอบครัวเลยหรือว่าสมาชิกคนหนึ่งคนใดก็ตามที่ว่าเขาสามารถอ่อนโยนให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ในสิ่งที่ไม่ค้านกับตัวบทนั่นแสดงให้รู้ว่าพรอลล์สุภานุตาลนั้นรักเขาซึ่งก็อย่างที่หลายท่านจะถ้วงติ่งมานะครับว่ามันจะเป็นไปได้เลยครับพี่น้องที่รักครับนี่คือบททดสอบไงครับผมนี่คือเราต้องใช้ชีวิตทางชีวิตเราเพื่อที่จะทําให้ได้มันอาจจะดูไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากครับผม มันอาจจะดูไม่ง่ายแต่ว่าในขณะหรือกันมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะพวกลอสสปาราเมื่อพวกลอสรักใครพวกลอสจะทาให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ง่ายได้เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าหมายเลยละหนึ่งอย่างละอยากให้อลลอรักเราเราก็ต้องพยายามกับอ่อนโอออน่ยนกับสมาชิกในครอบครัวของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีความอดทนเมตตากับเขาแล้วก็ให้ภัยเขามากๆสัญญาณที่สองที่แสดงให้รู้ว่าพวกลอสนั้นรักเรานั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าการทําสิ่งที่ฮารอมมันยากเหลือเกิน คือสำหรับคนอื่นการทำฮารอมรู้สึกมันง่ายเลยเกินเวลาเขาจะไปเที่ยวอาจจะเป็นเที่ยวสถานเลิงร่ม ต, าตา่างๆหรือเขาอาจจะทําสิ่งที่ฮารอมเช่นดืม่มสุราหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันหรืออะไรก็าตามที่เป็นอบายามุขพี่นอกมาท่านอาจจะรู้สึกว่าเวลาจะทํารู้สึกมันยากเย็นแสนเขีนมันทําก็ลําบากอันนั้นก็ติดขัดอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ได้แสดงให้รู้ว่าผู้ล้อรักเราครับเพราะเมื่อผู้ล้อรักเราผู้ล้าก็จะมีความหึงหวงเราไม่อยากให้เรานั้นไปทําสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นลังเกียร ผัวล้อก็จะห้ามเราป้องกันเราเหมือนกับที่ว่าเรารักสมาชิกในครอบครัวเราก็ไม่อยากให้เขาไปทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายเช่นเดียวกันเมื่อพัวเรารักใครพวกเราก็จะป้องกันเขาไม่ให้เขาไปทําสิ่งที่อารอมอยากง่ายได้เพราะนั้นนี่เป็นสัญญาณที่สองครับเมื่อไหรก็ตามที่รู้สึกว่าการทําสิ่งที่ฮารอมหรือพิจารณาดุนยาเนี่ยที่เราอยากได้มันไม่ได้สักทีอัลลอฮ์รักคนอยู่อันที่3ครับที่เราพูดคุยก็คือเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่ารักการเป็นมุสลิมเกิน ซึ่งเราก็ได้บอกเสน่รกักแล้วว่าควาว่ารักไม่ใช่แค่เป็นความรู้สึกชั่วคราวแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่อย่างน้อยสี่เงื่อนไขซึ่งเราคงจะไม่ทบทวนตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันจะกินเวลาชคดนของเราไปนะครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาดูสัญญาณที่สีที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอ์รักเราครับพี่น้องครับในฮะดีษครับจากท่านอิบนอุมรครับอั ال, allah, น الرجلا ا ل ش ا ว่าอายุอา عمال อับปุ่ออิละลอสุบฮานะลอสุบฮนะนี่คุณคุณเองมาท่านบับดุลเลาะห์สุลลาะฮฺของอิสลามนะเขาเรียถามคําถามที่ยอดเยี่ยมมากเขาถามว่ายากรสุดละในโลกเนี่ยใครคนประเภทไหนที่อับดุลรักเขามากที่สุดแล้วการงานใดที่อับดุลรักมากที่สุดแน่นอนเมื่อเขามาถามานี้ก็แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นฟดัดดูเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่ทําให้อับดุลรักมากกว่าการที่ได้ทําฟัดดู การละหมาดฟัดดูการถือศีลอดการจ่ายสกาดอะไรที่เป็นฟัดดูนั่นคือสิ่งที่เลาลรักมากที่สุดแต่ซอฮาบะท่านนี้มาถามถามถึงการงานประเภทอื่นที่ว่ามันไม่ใช่การงานที่ว่าเป็นการงานที่เป็นฟัดดูคนกลุ่มใดคนประเภทใดล่ะเพราะแน่นอนเขาคงไม่คงไม่ได้ถามว่าคนไหนเพราะถ้าถามว่าคนไหนก็นบีมัสลิซัมอยู่แล้วเป็นคนที่เลาลรักมากที่สุดแต่นี่เขาถามว่าคนประเภทไหนที่เราลรักเขามากที่สุด มันก็เป็นสัญญาณให้รู้ว่าใครก็ตามเป็นแบบนี้อัลลอฮ์กำลังรักคนอยู่ครับท่านอับดุลเลาะห์สั่ตอบว่าไงครับก็ฝักอนะุลลอฮิลลัลลอฮอวะัลลัมอฮับนัสอิลลอฮีอันฟะอุมลินัสัลลอฮ์ท่านอับดุลเละังบอกว่าบุคคลที่พวกลอ ร, รักเขามากที่สุดคือคนที่ทาประโยชน์ให้กับมนุษย์มากที่สุด หมายความว่าไงครับพี่น้องที่รักใครก็ตามที่เอาลอตตักดิสพี่น้องคนไหนก็ตามที่ว่าสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นได้เป็นประจำพี่น้องอิสลามอย่างง่ายดายอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคุณต้องช่วยเหลือทุกคนที่คุณเจอแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องใช้ทรัพย์สินในการช่วยเหลืออย่างเดียวการช่วยเหลือทุกรูปแบบที่เราจะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องของเราพี่น้องมีทุกขมาเราช่วยให้เขาหายทุก พี่น้องมินิสิตมาเราพยายามปลดเปลื้องนิสิตให้กับเขาหรือพี่น้องมีเรื่องไม่สบายมาอย่างว่าเราก็ช่วยรับฟังเขาให้ใครก็ตามที่เมื่อเขามาอยู่ใกล้เราเขารู้สึกว่าเขานั้นอบอุ่นเขานั้นมีความสุขปัญหาของเขานั้นมันเบาบางลงเพราะนั้นพี่น้องท่านใดก็ตามครับเมื่ออัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์จะให้เรานั้นอย่างประโยชน์ให้กับมนุษย์คนอื่นเพราะนั้นมิสตไม่ใช่คนที่ว่ายังประโยชน์แต่ตัวเองไม่ใช่ว่าฉันเอาแต่ตัวฉันเอง แล้วการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ว่าใครจะช่วยก็ช่วยได้นะครับถ้าพวกเราไม่ตักดีให้เราช่วยได้เราช่วยไม่ได้หรอกเหมือนคนบางคนทรัพย์สินมากมายแต่ว่าถัาฉันช่วยฉันอยากจะรอรวยกว่า น, นี้ฉันอยากจะรอให้พร้อมกว่า น, นี้ฉันยังเองไม่รอดไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นคงจะช่วยเขาการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะทําได้นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ตรงจุดนั้นอยู่ในสถานะที่ว่าช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยเขามีความบริสุทธิ์ใจต่อพระลอสซุบฮาห์นูวาตาล่าไม่ใช่ช่วยเพราะหวังชื่อเสียงคำสรรเสริญหรือว่าคำเย็นยอหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องของดุงยาทำเพราะว่ารักอเออพี่น้องฉันเดือดร้อนใช่ไหมฉันพอจะช่วยได้ฉันก็ช่วยอาหารฉันมีจานนึ่ง เ, เขาเดือดร้อนเขาไม่ได้กินแล้ก็แบ่งกันกินคนละครึ่งไม่เป็นไรนะอินชาลอามีบารกาเดี๋ยวเราก็อิ่มกันทั้งคู่ช่วยในสถานะที่เราอยู่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเรารอให้เราพร้อม ที่จะสามารถช่วยคนทั้งโลกได้พี่น้องจะไม่สามารถช่วยใครได้เลยคนมาคนรอว่าฉันต้องพร้อมจริงให้สามารถช่วยทุกคนที่ฉันเจอได้ฉันถึงจะเริ่มช่วยอย่างนั้นเราจะช่วยใครไม่ได้เลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าอย่างน้อยสุดฉันช่วยได้สักคนก็ยังดีช่วยเรื่องง่ายๆก็ยังดีอะไรก็ได้ท่านอ บ, บีมัสลิส บ, บอกว่านี่แหละคือคนที่อัลลอ์รักมากที่สุดซุบฮานลอ ท่านะบีตอบต่อมาครับพระชายคนนี้ถามสองคำถามใช่หมคนแบบไหนที่ลรอรักมากที่สุดแล้วก็การงานแบบไหนที่ยวรอรักมากที่สุดคนแบบไหนท่านลบีตอบแล้วก็คือคนที่ยังประโยชน์กับเพื่อนมมากที่สุดแล้วการงานแบบไหนล่ะท่านบีตอบว่าอามันอลล่าฮิสุรุรินตัวอลามุสลิมอตัิอานุรอตักดอนไดนันอตัตรอนหูชูอัน เจนนีบีมอ ส, สลลลซมบอกว่าแล้วการงานที่อัลลอ์รักมากที่สุดก็คือความสุขความสุขที่คุณเติมเต็มมันเข้าไปในหัวใจของพี่น้องมุสลิมของคุณ การที่คุณทําให้คนรอบข้างคนมีความสุขได้การที่คุณทําให้เขามีรอยยิ้มหลังจากที่เขามีน้ําตาได้การที่คุณทําให้เขาสามารถลุกขึ้นมาได้หลังจากที่เขาไม่อยากจะลุกแล้วการที่คุณสามารถเป็นแรงผลักดันเป็นกํนาลังใจให้เขาสามารถเดินต่อไปเวลาที่เขาไม่อยากเดินแล้วนั่นแหละครับท่านนบีอัลกสัลลัมบอกเขาว่าความสุขที่คุณเอาไปใส่ในหัวใจของพี่น้องของคุณนั่นแหละคือการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดท่านนบีใช้คําว่ารักมากที่สุด ความสุขที่คุณเอาไปใส่ในหัวใจของพี่น้องซิมของคุณหรือการที่คุณช่วยให้เขารอดพ้นจากความลําบากสักเรื่องหนึ่งบางทีคนบางคนเดินทางมาที่ห่างไกลบางทีไม่ใช่คนพื้นที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดพอมาปุ๊บจะหาที่พักหาที่อยู่หาไม่ได้มันไม่ใช่คนพื้นที่จะรู้เรื่องงี้ว่าจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงคือเขาไม่รู้ว่าอะไรสว่วนเราล้อบางคนเราล้อดักลี้ให้เขาครับใจเขาก็มา แล้วเขาก็พร้อมเขาก็พอเอามีปัญหาเลยเดี๋ยวฉันช่วยนะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นไปตรงนี้บางทีใช้เวลาเป็นวันวันแต่เขาก็ถือว่าเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเขานี่คือคนที่อลัลลอฮ์รักและนี่คือการงานที่อลัลลอฮ์รักท่านอาบีบุต่อครับความสุขที่เข้าไปในหัวใจของพี่น้องของคุณหรือการที่คุณช่วยให้เขารอดพ้นจากความลําบากสักอย่างหนึ่หรือการที่คุณช่วยใช้หนี้แทนเขา พี่น้องที่รักการเป็นหนี้มันเป็นเรื่องที่ทรมานเลยเพาะกับมุสลิมเราเพราะมุสลิมเราเราเมื่อเรามีหนี้เราอยากยำพ้นหนี้เรา็วเร็วเรามีเงินไม่มีเงินเราอยากจะไปขนปลายเพื่อที่จะใช้จ่าให้ดีๆให้มันเร็วๆมันเป็นความทรมานมันรู้สึกแย่มันรู้สึกไม่ดีมันไม่มีความสุขบางทีเจ้านี่มาทวงบางทีก็ต้องให้ลูกไปพูดบางทีก็ต้องให้คไปกล่าพูดสารพัดครับความรู้สึกของคนที่แบบมีหนี้แล้วยอยู่มีคนมาช่วยปลดเปื้อนไปหรือบางทีเจ้าหนี่ ถ้าเกิดมีความสามารถแล้วก็ดูปุ๊บคนนี้เดือดร้อนจริงๆเขาไม่ใช่เป็นคนชั่วร้ายอะไรเขาอยากจะใช้จริงๆแต่เขาไม่มีความสามารถไม่เป็นไรนี่ของเธอนี่ะเธอมีเมื่อไหร่ค่อยมาให้ก็ได้ถ้าไม่มีก็ถือว่าระหว่างเราก็จบ ก, กันก็ไม่เป็นไรแล้วโลกหน้ฉันไม่เอาละมีค่อยมาให้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเจร้าหนี้บางคนก็ทำได้ลแล้วแลเ้วก็เปิดใจให้กับเขาไม่ใช่เจ้าหนี้ทุกคนทําได้ถูกใช่ไหมครับพี่น้องเห็นด้วยใช่ไหมอันนี้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นที่ว่าจะเปิดใจเขาให้ดูพี่น้องของเขาแล้วก็ ตัดสินจริงๆว่าโอเคเมื่อเขาเดืดร้อนมาไม่เป็นไรนี่นฉันยกให้หรืว่านี่นี่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้อีกนี่คืออีกหนึ่งการงานที่ผู้รอดมากที่สุดการงานที่สี่ที่ท่านนบีมุสลิมพูดในริสบที่ง่ายๆไหมครับการที่คุณช่วยให้เขารอดพ้นจากความหิวโหยการที่คุณช่วยให้เขารอดพ้นจากความหิวโหยเป็นการงานที่โพ้รอสุบฮานฮัวตารักมากที่สุดเพราะ หนึ่งในพื้นฐานของความสุขของมนุษย์คนเราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าหิวอยู่ถ้าทรมานอยู่ถ้าร่างกายแบบต้องการอาหารอยู่สิ่งที่ทำให้มีความสุขไม่สุขคือการได้ทานอาหารแล้วการที่เราให้ความช่วยเหลือคนตอนที่เขาเดือดร้อนที่สุดตอนนั้นะจะเป็นตอนที่เขานั้นรู้สึกสำนึกในบุญคุณมากที่สุดจะรู้สึกดีมากที่สุดครับ นี่คือ4การงานที่ท่านนบี ม, สมุสลออยิมได้บอกไว้ครับว่านี่คือการงานที่อัลลอรักที่สุดคนที่จะทําการงานทั้ง4นี้ต้องเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นเพราะนั้นใครก็ตามทำอย่างนี้สี่อย่างที่ท่านนบีมุสลัยิมบอกได้ขอให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์รักคุณอยู่ขอแสดงความดีดีด้วยมาแสดงเห็นว่าอัลลอฮ์รักคุณเลยทักดีสเลยทําให้คุณสามารถทําความดีได้เพราะอย่างที่บอกก็คือว่าเอลฟิกเนี่ยการที่ใชใ้ใครมีความสําเร็จในการทําความดีเนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้บางคนทรัพย์สินล้นพลาละหมาดไม่สามารถละหมาดได้ไม่มีเวลาอยากจะทำความมีอยากจะบริจาค ก, ก็ไม่สามารถบริจาคได้เพราะอาจจะไม่ตรงกับจังหวัดจังหวัดมันไม่ให้เพราะนั้นใครที่เอาลอตเตอรี่ สามารถให้ความช่วยเหลือกับมนุษย์มากที่สุดนั่นแหละคือคนที่อลล์รักมากที่สุดเช่นเดียวกับการงานที่รักมที่สุดที่เจ้าบีมอสโลรอยสลามบอกไว้สีการงานมีอะไรบ้างนะครับทบทวนพร้อมกันอันแรกก็คือการที่เราทําให้พี่น้องของเรามีความสุขเอาความสุขใส่ไปในหัวใจของเขาหรือเอาความยากลําบากเนี่ยออกไปจากเขาหรือช่วยให้เขานั้นปลดปื้อนไปจากหนี้สินหรือว่าช่วยทําให้เขานั้นรอดพ้นจากความหิวโหยแต่และอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับผู้ที่ ผู้อัลลอฮ์รักเขาแล้วก็สำหรับผู้ที่รักผู้อัลลอฮ์สุบฮะน้องวาตาอาลาเพรานั้ในส่วนที่เราทาได้ครับอะไรทาได้เราก็พยายามทาเพื่อให้อัลลอฮ์รักพี่น้องที่รักหอัจากที่เจานรรบีมุสลลัลสลามได้พูดเสร็จช่วงนี้เราก็ชาบานใช่ไหครับกาลังเข้าเช่วงเดือนอลมอฎอนนะช่วงนี้พี่น้องหลายท่านก็ หมักคม่นกับการถือสินอดถือให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็อาจทำดีแล้วครับเป็นสิ่งที่งดงานเป็นสิ่งที่ดีงามเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อพูดถึงเร็มมดอนที่จะมาถึงก็คิดถึงการเอติกาฟในริสบดนี้ท่านอับดุลเบียร์มัสสลามพูดถึงเรื่องการเอติกาฟด้วยแต่เป็นอีกความหมายหนึ่งเป็นอีกความหมายหนึ่งคือมุสลิมเรารู้ดีว่าช่วงเดือนร็มมดอนเนี่ยสิบคืนสุดท้ายเป็นประจำท่านจะบีเอติกาฟที่มัสยิาาดก่อนเสียชีวิตท่านจะบีเอติกาฟยี่ต่อครับ ท่านอับดุลเลาะห์สลาลบอกว่าการที่ฉันจะได้เดินไปเป็นเพื่อนพี่น้องฉันสักคน<ม>เพื่อไปช่วยจัดการธุระให้กับเขาเรื่องบางเรื่องคือพี่น้องไปคนเดียืมเราดูแล้วคือมันลำบากมันมีขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนมันมีอุปสรรคมันมีความเหนื่อยยากเราก็เลยไปเป็นเพื่อนเขาบอกมะเดี๋ยวเดี๋ยไปกับฉันเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันพาไปหรือนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นขั้นตอนนี้อย่างนี้นะขั้นตอนที่สองไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เป็นงี้ถ้ามีปัญหารีบโทรมาเดี๋ยวจะรีบช่วย ท่านบดุลบาบีมัสริสซามบอกาการที่ฉันจะได้เดินไปเพื่อนไปเดินไปเป็นเพื่อนพี่น้องของฉันเพื่อไปจัดการทุรละของเขาเนี่ยเป็นที่รักสำหรับฉันยิ่งกว่าการจะได้เอียติกับที่มัสยิดของฉันอีกนี่กว่าการเอียติกที่มัสยิดนเบอีสุบฮานัลลอฮ์รพี่น้องท่านบดุลาีมัสริสซามบอกว่าท่านอ บ, บีรักมากกว่า แปลว่ามันเป็นการงานที่ทําให้พ่อละรักมากกว่าอย่าดูถูกครับการงานที่เราดูเหมือนมันไม่มีอะไรโอ้สิ่งที่เกียดไปเองและการทําไมเดี๋ยวหมดเวลาไปเป็นวันไปเถอะอยากไปก็ไปโอกาสทองเลยนะพี่น้องอันนั้นนะ่ะถ้าพี่น้องไม่ติดอะไรจริงถ้ามีความสามารถไปช่วยเขาจนอยู่จนเขาเสร็จสิ้นกระบวนความจริงๆนั่นแหละเป็นการช่วยเหลือที่สมบูรณ์คนที่ให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงคือคนที่เมื่อช่วยก็ช่วยจนศบจนจบช่วยจนเสร็จ นั่นเลเรียกว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือที่สมบูรณ์ครับพี่น้องที่รักครับหลังจากที่ทซอร์บีพูดว่าการที่ฉันเดินไปเป็นเพื่อนพี่น้องของฉันจนเสร็จสิ้นทุลาเนี่ยเป็นที่รักสำหรับฉันยิ่งกว่าการเอธิแครที่มัสยิดของฉันทั้งเดือนซะอีกเซอร์บีพูดต่อครับว่าว่ามันก็ฟ้ากอดอบาหูสัตว์ละลาหูอวระตั้พี่น้องที่รักนุษยามมากท่านเบีมุมัสโรซาบอกว่าไงครับใครก็ตามที่ระงับ อารมณ์โกรธของเขาได้ใครก็ตามระงับอารมณ์โกรธระงับคือไม่ให้มันออกมาเป็นคําพูดห ย, ยาบหยาบไม่ให้มันออกมาเป็นพฤติกรรมที่เลวรายหรือว่ารุนแรงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลของอาเลวะซัลลัมบอกว่าไงครับใครก็ตามที่เขาระงับอารมณ์โกรธของเขาได้โพล็อตจะปกปิดเรื่องหน้าละอายของเขาให้ซุบฮานันลลอฮ มีใครบ้างในหมู่พวกเราที่ไม่มีเรื่องหน้าละอายครับพี่น้องถามตรงๆมีนะครับสักคนในหมู่ของพวกเราที่ไม่มีเรื่องหน้าละอายมีไหมที่แบบว่าไม่มีละสักคนที่แบบว่าม่งเรื่องที่ว่าไม่อยากให้คนกับรู้มันมีกันทุกคนเลยพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องไว้เด็กเรื่องไว้โจเรื่องไว้โกรเรื่องไว้เก่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ธรรมชาติของมนุษย์นบีบอกไว้ชัดเจนว่าคขาตะมันมีบาปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีทั้งบาปมันมีทั้งเรื่องหน่าละอาย มันมีทั้งเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้พเพราะว่าสวาตาได้ให้ท่านนบีมุสลิมมาบอกเราไว้ว่านี่คืออิสลามใครก็ตามพยายามระ ง, งับความโกรธของเขาเรื่องที่น่าอายของเขาอัลลอฮ์ก็จะปกปิดให้พี่น้องสังเกตไหมครับว่าคนเราเวลาโกรธแล้วระ ง, งับไม่ได้เนี่ยถ้าตุแท้นิสัยเสียของเขามันจะออกมาเยอะมากเลยแล้วเขาจะต้องอายทีหลังคือตอนโกรธยังไม่อายไงแต่พอหมดโกรธปุ๊บ พอมาคิดได้อัลลอฮ์นี่ฉันจะจ ะ, จะไปมองหน้าคนอื่นได้ไหมเนี่ยเนี่ยแต่ตอนโกรธฉันไม่ทันเลยระวังเดี๋ยฉันด่าไปเป็นชุดเลยคนอื่นเขาคิดว่าฉันไม่ดา่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ตรงตามที่เซนนบีบอกไหมใครก็ตามระงับความโกรธของเขาอัลลอฮ์จะปกปิดเรื่องหน้ารังเกียจก็แปลว่าถ้าใครก็ตามไม่เรียนรู้ที่จะระงับความโกรธอัลลอฮ์ก็จะเปิดเผยด้านที่หน้ารังเกียจของเขาให้คนอื่นได้รับรู้นาอูรุบิลไลบินซาอิมันก็มีสองด้าน มันก็มีสองด้านแล้วท่านนบีมุสลิสั่บอกว่าไงครับผมว่ามันกระดาาดวเาชาอยุมดีย ห, ด ห, หูอัมด่าหูมลาอัลลอฮอัว่าจั ล, ลกัลบหูอัมนานยลกิยามะแล้วใครก็ตามเนี่ยที่ว่าเขามีความรู้สึกที่แบบว่าโกรธจัดแล้วเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้สักอย่างนี คืออย่างก็เป็นพ่อบ้านถ้าโกรธอาจจะสามารถลงมือตบตีภรรยาได้หรือตบตีลูกได้ท่านอบีมัสลิมบอกใครก็ตามแล้วเขามีความโกรธแล้วเขาระงับไม่ให้เกิดพฤติกรรมอะไรออกมาในที่นี้คือทั้งๆ ท, ที่เขาก็มีความสามารถจะทําได้หรือทั้งๆ ท, ที่มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทําได้บางทีมีคนด่าเราเราด่าคืนได้มันเป็นสิทธิ์ถูกไหมครับก็เขาด่ามาหนึ่งเดก็ด่ากลับหนึ่ แต่ท่านาบี บ, บอกว่าทั้งๆ ท, ที่เป็นสิทธ์ทั้งทาที่เรามีความสามารถแต่แล้งับไม่เอาพฤติกรรมแสดงออกมาพกเพราะละใจเขามีความปลอดภัยในวันกิยามะอัลลอัฺอัลอออลอฮ์ใจหัวใจของเขาจะมีความสงบมีความปลอดภัยในวันกิยามะในวันที่น่าสะพึงกลัวมากที่สุดวันที่อัลลอาอธิบายไว้ในคุรานหลายที่เหลือเกิน ที่เกี่ยวกับเรื่องของตาทั้งตาที่ทัน ล, ลนออกมาแทบจะท ล, ลนออกมาหรือว่าตาที่มีความหวาดกลัวลูกตาที่มีความตื่นตระนกหรือกษ์รานมีไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่ที่พ่อเลอสุมาตราพูดถึงสภาพนบนเกียมาว่าหัวใจของคนที่ไปเจอสภาพบันเกียรมาเนี่ยจะมีแต่ความตื่นตระหนกจะมีแต่ความกลัวจะมีแต่ความเครียดจะมีแต่ความกังวลพี่น้องท่านอับดุลสลามบอกคุญแจให้แล้วหากอยากไปอยู่บนเกียร์มะโดย ไปยืน อ, อยู่ในสภาพที่ว่าเรารู้สึกว่าใจของเราเนี่ยปลอดภัยคนเขากลัวกันคนเขาเครียดกันแต่เราปลอดภัยทำยังไงครับเวลาที่เรามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้คนที่มาทำให้เราโกรธได้เวลาที่เรามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้คนที่มาทาให้เราเกลียดไม่พอใจได้แต่เราเลือกที่จะไม่ทำาพรารักอัลละ ท่านอับดุลลาห์มูฮัมหมัดสลุลต่ารับรองเขาว่าในวันกิยามะเนี่ยหัวใจของเราก็จะได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกันซุบฮะนะครับพี่น้องจะมีอะไรงดงามจะมอะไรดีงามยิ่งไปกว่าผู้ที่สามารถอดทนเริ่มเห็นภาพไหมครับที่ท่านอับดุลลาห์มูฮัมหมัดสลุลต่าบอกว่าไม่มีใครได้รับสิ่งใดที่ว่ามันจะดีงามยิ่งไปกว่าความสามารถที่จะอดทนเพราะความดีงามที่จะถูกมอบให้กับเขาในดุนยาก็มากมาย ในหุุมฝังศบในอาเครอก็ยิ่งมากมายมาหาศาลครับในเรื่องนี้ครับท่านนบีมุสลิมยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ท่านนบีมุสัิมได้พูดต่อในช่วงวักสุดท้ายครับว่าวามันมชามะคีฮีฟีฮาจัินฮัตอัสมัตฮาละห์อัสบัตฮาลลออัอัลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลกหมะฮอัลลอซรัดยามะตซิลลูฟีักดาม แปลวา่าผู้อัตตวรรณาท่านอบีมัสรอฮีฮวงอะเลวสลามบอกครับแปลวา่าพี่น้องแล้วก็ใครก็ตามเนี่ยที่เขาเดินไปช่วยทําทุนละให้กับพี่น้องของเขาจนกระทั่งทุนละนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์จบพอแบบจบแบบงดงามเลยอย่างคนบางคนอาจจะหาที่พักเราก็ไปช่วยเป็นทุนละจนเขาได้ที่พักแบบจบเรื่องราวเรียบร้อยจัดของอะไรเก็บของเรียบร้อยแล้วหรือว่า ใครอาจจะไปทำทุเละอาจจะไปถีดดานอาจจะไปตำมออาจจะไปอะไรก็ตามแต่ที่ว่ามันอาจจะมีขั้นตอนแล้วต้องการคนให้ความช่วยเหลือถ้าเราไปให้ความช่วยเหลือจนเสร็จสิ้นกระบวนการอาจจะเป็นรุ่นพี่อาจจะเป็นอาจ ะ, ะเป็นใครก็ตามแต่ท่านเบียร์วัลสลอยสระบอกว่าไงครับการที่เขาอยู่เป็นเพื่อนจนพี่น้องของเขาเนี่ยมีความมั่นคงอัลลอฮ์ก็จะให้เขามีความมั่นคง อยู่บนสะพานซีโรสในวันที่ว่าเท้าทั้งหลายนั้นจะพาการตินตระหนกเราพูดถึงอะไรครับพูดถึงซีโรสเพราะพี่น้องอย่าลืมครับชาวสวรรค์เนี่ยกว่าจะเข้าสวรรค์ได้นะครับมีด่านทดสอบเยอะมีด่านทดสอบเยอะเลยเแล้วด่านทดสอบใจและด่านทดสอบนั้นก็เป็นด่านทดสอบที่หนักนักทั้งนั้นในฮารบทนี้ครับในเรื่องอยังมาอ อัตถบรนีเนะีบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่งดงามคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดแล้วก็การางานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเพราะฉะนั้นกลับไปที่หัวข้อของเราครับจะรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์รักฉันถ้าอัลลอฮ์ให้พี่น้องสามารถทําสิ่งต่างๆที่ว่ามาได้อัลลอฮ์รักพี่น้องครับแปลว่าอัลลอฮ์กำลังรักเราต้องขอบคุณผู้อัลลอฮ์ให้มากๆ ทำตัวให้คู่ควรกับความรักของพระองค์แล้วก็ทําตัวให้คู่ควรที่รับความเมตตาตลอดไปของพระองค์ซึ่งมานุสาวรีย์ด้วยซึ่งอินชาอัลลอฮ์เขาไม่ใช่เรื่องยากส้าเราพยายาเต็มที่แล้วอย่าลืมว่าเหนียดนั้นเนี่ยแต่พี่น้องอย่าลืมนะการที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยใครเขาก็ทําไม่ใช่มุสลิมก็ทําถูกไหมครับเรามีองค์กรมากมายที่ว่าให้ความช่วยเหลือเด็กกาพร้าให้ความช่วยเหลือคนยากอะไรให้ความช่วยเหลือผู้รภัยให้ความช่วยเหลือใครมีหลายองค์กรหลายหน่วยงาน แต่ข้อแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลละฮ์แล้วที่เราทําเพราะอยากให้อัลลอฮ์รักเราอย่าลืมผมย้ําเป็นประจำครับอะไรก็ตามที่เป็นความดีอะมันจะเป็นความดีได้ก็ต่อเมื่อแรงผลักดันที่ทําให้เราทำมันเพราะเรารักอัลลอฮ์แล้วอยากให้อัลลอฮ์รักเราไม่ใช่แค่ว่าสงสารไม่ใช่แค่ว่าอยากจะทําบุญไม่ใช่อยากแค่ว่าอะไรก็ตามแต่ เงื่อนไขสําคัญที่สุดอยากให้อัลลอฮ์รักเราแล้วเราก็รักพระองค์นั่นแหละที่ทําให้การงานที่เราทํานั้นกลายเป็นการงานที่อัลลอฮ์ก็รักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มที่4นี่คือสัญญาณที่สที่บอกให้รู้ว่าโวลัสสุพาหนูอาตาลานั้นรักเราครับเดี๋ยวขอทักกายพี่น้องนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วเอ่ย คุณสมานนะครับบอกกระทำนิรักก็บารักล่อฟีกุมคุณลักษณนะครับสลามมาก็วคุณสามอุลอวบารักาตู่ครับมอัดสติลักษ์นะครับสลามมาก็วคุณสามอบุลอวบารกาตูนะครับผมคุณลักษณะส่งรูปน่ารักมาบารักลอฟีกุมคุณโลนีนะครับบอกกำลังรับชนเช่นเดียวกับคุณย่ายานะครับก็บอกว่าพร้อมได้ดูก็บารักลอฟีกุลครับผมคุณตูบาครับสลามมาเต็มๆแล้วก็ให้ดูอาด้วยก็ไว้ที่คุณสลามอับบุลขอบคุณสํารักาตู่ิพ้สกง ดอกไม้งามๆมาให้ครับผมพี่น้องขอบคุนะครับผมคุณวิรศักดิ์สลายมาวัุทสามติล้อว่าประกาทุกมววิตส่งหัวใจมาเช่นเดียวกับคุณวิรัสขอบคุณมากครับผมคุณลุงอารุนสลามมาแชร์ให้พี่น้องเป็นประจํากบปาราคาฟีกุ่มขอบคุณมากครับัอุุสลายมติลอวาประกาทุคุณรบี์ก็ส่งรูปมาให้กำลังใจนะครับคุณสุเสาะบอกรับชมอยู่แล้วก็คุณทับซอสลามมาก็วัุทุสลามติล้อว่าประกาศทุกคุณยาบีรบอกชมอยู่ครับทลดีนะ คุณการเวลาสละ ม, มาครับแล้วก็สละให้กับทุกท่านด้วยนะครับก็ตอบสละมาด้วยก็วันกุมุ์สลมวอร์ตุล้อวอร์บารักาตัวน้ำผมรับชมชัดเจนมากครับคุณปัญญาที่เหลือสลมทุกท่านมาด้วยครับวันกุมษ์สลมวอร์ตุล้อวอร์บาระกาตัวเช่นเดียวกับคุณเสาวนีย์ราหนาแล้วก็คุณเดาวๆนะครับคุณเสาวนียก็สลามมาแล้วก็ ให้ด hey, ูอามาบาริษัลอบาร์กะลอฟิกุมครับผมโอเคครับพี่น้องเรามาดูสัญญาณที่ห้าครับที่แจ้แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นรักเราครับผมพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องสังเกตมาจนถึงจตรงนี้อะครับเราผ่านมาแล้วสี่ข้อเราจะพบว่าสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราเนี่ยเป็นสัญญาณที่ตรงกันข้ามกับความเข้าใจของมนุษย์ใน dunya มนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าถ้าอัลลอฮ์รักมันน่าจะสบายน่าจะดีน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่ครับ ไม่ใช to ่เพราะดุลยานี้มันต่ำต้อยเหลือเกินสำหรับอัลลอฮ์สุบานุอาลาเพราะนั้นสัญญาณข้อที่5ที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักพวกเราเรามาดูครับจากท่านอนัสบินมาลิกรอเยลลาวันฮูจากท่านอับดุลเาะห์สลัมครับท่านได้กล่าวไว้ว่าอินนะอีดะมิลเจซัยมะอีดมิลเบลอินนัลลอฮตะอลออะับบะคามนอิบตลาุมฟมันรดิัลลอฮ์ฟมันรอฟลฮริะวมันาิตฟลฮอั ไฮดริเนี่ยบันทึกอยู่ในบันทึกของหี่แมมเทมิลีแล้วก็ไอทูมาใช่ไหมพี่น้องที่รักไฮดิสบทนี้ครับอยากให้พวกเราไขขวนให้ดีๆแล้วเดี๋ยวจะพยายามอธิบายในประเด็นที่ว่ามีคําถามเข้ามาเยอะๆท่านลอสบิดมาลิกได้บอกเขาว่าท่านอบีมอร์สลอสร์ซำได้บอกว่าการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมกับบททดสอบที่หนักหน่วง ฟังแล้วก็สะดุ้งกับสะดึกกันไปนิดนึงนะครับผมการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่หมายถึงอะไรครับสวรรค์หมายถึงความเมตตาตลอดการที่พระรัศมีตาจะให้กับเราหมายถึงสิ่งที่ดีงามหมายถึงอะไรก็ตามที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราครับทั้งลุงยากลบอาเคโรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญที่สุดมันจะมากับบททดสอบที่หนักหนาสหาหัส ข้ารีพูดว่างไงครับเมื่อพว้ล้อรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดพว้ล้จะทดสอบเขาผู้ล้จะทดสอบเขาประเด็นสาคัญที่ทำให้อลลอรักอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องใครก็ตามที่พอใจอลัลลอ์ก็จะพอใจเขาใครก็ตามที่โกรธอลัลลอ์ก็จะโกรธเขาชัดเจนไหมครับ เมื่อพอ ร, รักใครเราจะทดสอบเขามากนี่คือมุมมองที่แบบว่าถ้าคนที่ไม่ซิมเขาจะไม่เข้าใจบอกทาไมรักกันแล้วต้องทําร้ายกันทําไมรักกันต้องให้ทรมานทําไมพอร้อยคนหนึงบางคนเกิดมาใหม่รอทําไมบางคนเกิดมาไม่สวยบางคนดำบางคนอาจจะร่างกายผิดปกติทําไมบางคนเกิดมาแล้วไม่มีแขนสองข้างทําไมทําไมทําไมทําไมทําไมบางคนมองว่ามันเป็นความไม่ยุติธรรมจากพวกอล้อหรือเปล่าพี่น้องที่รัก นั่นเป็นความคิดของคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมุสลิมเราเราต้องมองมุมมองตามที่อัลลอฮ์สอนให้เรามองเราต้องมองมุมมองชีวิตให้เป็นผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับโลกดุนยาที่เราอยู่ตอนนี้เรียวกว่าโลกดุนยาภาษาอับ ด, ดุนยาแปลว่าต่ําต้อยแปลว่าไร้ค่าท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัะสุลามบอกว่าไงครับหากว่าโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยสาหรับอัลลอฮ์แล้วมีค่าเทียบเท่ากับปียุงสักข้างหนึ่ง ถ้ามันมีค่าสําหรับพวงหรลเท่ากับปีดยุงสักข้างหนึ่งถ้ามันมีค่าพวงหรลคงจะไม่ให้ความช่วยเหลือใครก็ตามที่ฝ่าฝืนองค์แต่นี่พี่น้องเห็นไหมครับบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วก็ทิ้ง ส, สาสนาอิสลามไปบางคนนะครับเกิดมาเป็นลูกมุสลิมเลยแหละยากกับเป็นมุสลิมแต่ว่าไม่พอใจทิ้งอิสลามไปแล้วก็ได้ดีดายดีนะครับมีรถคันหรูครับ มีบ้านใหญ่โตมีทรัพย์สินมากมายมาหาสารตัวเองก็ทำกาแฟทําสิ่งที่อัลลอฮ์รังเกียจสารพัดบางคนไปดูก็โอ้เข้าควรนี้แน่ฉาแล้วเข้บคว น, นี้ดีจังเลยน่อบอุ่ น, นเลยนะเออทำไมเขารวยขนาดนี้พี่น้องมันไม่ใช่ความรักจากอัลลอฮ์ะนะมันไม่ใช่ความรักจากอัลลอฮ์ะนะเหมือนกับที่เราพูดในอาทิตย์ที่แล้วครับว่าท่านนบีมุสลิมซำได้บอกว่าพวกอัลลอฮ์นั้นได้แบ่งริสกีระหว่างพวกเจ้าเหมือนกับที่แบ่งอัคลาระหว่างพวกเจ้าทรัพย์สิสน ที่พวกเราแบ่งระหว่างพวกเจ้าเันนี้พวกเราเลาะให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักแล้วคนที่อัลลอฮ์ไม่รักคนที่ทําตัวให้เลาะรังเกียจแล้วเลาะให้ดุจยามากๆครับพี่น้องมันไม่ใช่แปลว่าเลารักเขาเพราะที่เราดูเราจะรู้สึกทำไมมันเยอะทําไมความเป็นอยู่เขาสะดกสบายทําไมเขามีความสุขทําไมครอบครัวเขาแฮปปี้ดีด้กันหลานๆกันเรลือเต้นทําไมเขาเขาเขาไมทําไมทําไมทําไมทําไมเพราะมันดุจยาที่มันไร้ค่า จริงๆคือมันรา้ายแค่พอถึงเวลาเราก็ต้องตายมีรถคันไหนไหมครับที่ไม่ตัง้งซัมีบ้านสักหลังไม้มที่ว่าไม่ปูพังมีเสื้อผ้าสักชุดไหมที่ว่าไม่มีวันที่จะย่อยสลายไม่มีแม้แต่ร่างกายของเราเองถึงเวลามันก็ต้องไปเพราะฉนั้นเมื่อพวกล้อยิ่งรังเกียจใครยิ่งใครทําชั่วมากๆบางครั้งเราจะพบว่าพวกล้อจะยิ่งให้สิ่งดีๆกับเขาในดุลย์เยอะๆเพราะนั่นหมายความว่าพวกล้อไม่ต้องการจะให้เขาได้ดีแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่นิดเดียวในโลกนะ เราจบินลายเป็นยรืครับพี่น้องพวกเราบอกไงครับอย่าได้คิดนะและอย่าได้คิดเด็ดขาดเลยนะบุคคลใดก็ตามที่ปฏิเสธอรรถแล้วได้รับสิ่งที่ดีอย่าได้คิดเด็ดขาดว่ามันคือความเมตตาที่มาจากอรรถบรรลุชัรุนละมุมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เลวลายสำหรับพวกเขาสําหรับพวกเจ้าถึงเวลาโลกหน้า โลกนี้มันผ่านไปพริบตาเดียวแปสิปีมันไม่นานหรอกพี่น้องถ้าเทียบกับพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีตลอดการมันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครับท่านอับี๊ยนัสยมัน บ, บอกว่าไงครับเมื่อผู้รับรักไขพผู้รับจะทดสอบเขาเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองออกมาว่าเขาคู่ควรกับความรักของผู้รับสุบานุวาตาละพเพราะนั่นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์รักมีสองเงื่อนไขนะพี่น้อง ในสัญญานี้มีสองเงื่อนไขสัญญาณแรกคือเราต้องโดนทดสอบสัญญาณแรกเราต้องโดนทดสอบสัญญาณที่สองเราต้องพอใจในบททดสอบนั้นเพราะมันรอดีฟรฮอริดที่ทศนบีมุสลิมบอกไว้ครับใครก็ตามที่พอใจที่ยอมรับมันได้ อาจจะทรมานอาจจะเหนเื่อยแต่เขายอมรับมันเพราะเขารู้ว่าอัลลอ์เป็นผู้ที่มอบหมายเขาใครก็ตามที่ยอมรับมันได้พอใจกับมันได้อัลลอฮ์ก็พอใจเขาใครที่โกรธเกียดที่ได้รับมันอัลลอฮ์ก็โกรธเกียดเขาเช่นเดียวกัน เพราะการในกุรอานว่าไงครับัมิตุมอันตดลุจันนวะลัมมายะีุ่มั่นลลลาบิคุมมมุลเบะซวดรอวซิลูเพราะละกาว่าพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะได้รับการตอบแทนอย่างละอย่างจริงจังพวกเจ้าจะได้รับสวรรค์ โดยที่พวกเจ้าไม่ได้ถูกทดสอบเหมือนกับที่คนก่อนหน้าพวกเจ้าถูกทดสอบที่พวกเขาถูกทดสอบจนเกิดความนารรม้ำซ้าแล้วจึงเกิดความรู้สึกแบบว่าหวั่นเกรงจึงเกิดความรู้สึกสะพึ้งกลัวจนกระทั่งเขาพูดบอกว่าเมื่อไหร่อัลลอฮฺจะช่วยเหลือคือมันโดนหนักมากๆอัลาอินรัสโสรลกรีบแต่ว่าการช่วยเหลือของเรานั้นมาใกลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักจริงครับพราะเราเก่าไงครับ ว, วันนับวันนกุ่ง حتى เราเรื่องมาผู้มุ่งมั่นจากนัน้นและผู้มุ่งั่นแลุ่งมั่นและมุ่มั่นและผู้มุ่งมนและผมุ่งม่นและผู้มุ่งั่นและผุ่ามั่นแะ้มุ่งมั่นและผบ้มุ่งมั่นและผูุ้่งมั่นและผู้มก่งมั่นละผู้มุ่งมั่นและผู้มุ่นมั่นและผ่งมนแะ้มุ่งมนแลู้มุ่งมนแุ้่ามั่นละนู้มุ่งน้มุ่งม่นแล้มุนและ วันหน้านี่กเนนอีกว่ละนับล้นบวนนักลุ่มแน่นอนที่สุดที่ว่าเรานั้นจะทดสอบพวกเจ้าเพราะอะไรรักกันทําไมต้องทดสอบรักกันทําไมได้เจอสิ่งที่ไม่ดีเราจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนจนกระทั่งเราจะได้รู้ว่าใครในหมู่ของพวกเจ้าจะเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงแล้วใครเป็นผู้ที่อดทนว่ลนะนับล้อัคบารักุมเราจะทดสอบเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของเจ้า ถามว่าพวกล้อรู้ทุกสิ่งสึ่งการใช่ไหมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทํามันออกมามันก็ยังไม่มีพฤติกรรมบางคนอาจจะคิดว่าก็ในเมื่อละ ร, รู้อยู่แล้วใครดีใครชื่วก็เอา่าสร้างมาคนนี้ดีใช่ไหมเข้าสมบัติไปเลยคนนี้ชื่วลงนรกไปเลยไม่ครับมันเป็นการทําที่ไม่มีเซนสิ่งการทําการสร้างของพว ก, พวกล้อก็ต้องมีพียงแตว่าอัลกุตูสผู้บริสุทธิ์การงานทุกอย่างที่พวกล้อทํานั้นปราศจากการอาธรรม และทุกอย่างที่ทำนั้นเป็นระบบระเบียบที่งดงามพวกเลารู้แต่พวกเลาจะให้พวกเราได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมให้มันประจักษ์ชัดแจ้งเพราะนั้นพวกเรากลาว่าไงครับจะทดสอบแน่นอนเช่นเดียวกันในสุระบักราะครับวะลานบวะนักมีเชยิม من الخوف والجوع و ن ق ว ي من الأموال و ا ل ั ن ف س و า ل ث م ر ا ت و ب ش ر ิ ا ال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راشعون. เพราะด้วยการตักบาตรแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจากการทดสอบรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้วยกับเรื่ของมีอะไรบ้างที่ได้ทดสอบนะไม่ว่าจะเป็นด้วยกับรูปแบบของความกลัวอเราก็ทดสอบพวกเราทุกคนด้วยกับความกลัวสารพัดที่เราจะกลัวกลัวจนกลัวไม่มีครอบครัวกลัวไม่มีงานทํากลัวไม่มีกินกลัวเข้าไม่รักกลัวกลัวกลัวกวสารพัดที่เราจะกลัว เราบอกจะทดสอบแน่นอนในรูปแบบของความกลัวในรูปแบบของความหิวโหยหิว อ, อาหารอยากได้อยากต้องการอยากมีด้วยกับความอดอยากต่างๆว่านักซิมมิลอัมวาเลวันอังฟุสิวัตมาโรชไม่ใช่ใครทดสอบด้วยกับความกลัวไม่ใช่ทดสอบใครด้วยกับความหิวแต่ยังทดสอบด้วยกับการสูญเสียสิ่งที่มีพี่น้องมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่าเมื่อเราได้อะไรมาเราจะห่วงเห็นถูกไหมครับ มีทรัพย์สิสนเราก็อยากให้ทรัพย์สินอยู่กับเรามีลูกหลานก็อยากให้ลูกหลานอยู่กับเรามีคนรักก็อยากให้คนรักอยู่กับเราเพราะว่าบอกว่าแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าให้เกิดการสูญเสียแล้วว่าการสูญเสียเป็นอย่างไรบททดสอบของมันเหรสูญเสียอะไรบ้างครับทรัพย์สิสนชีวิตพืชสวไนไรนาการพาะปลูกทรัพย์สิสนจะไม่เกิดการสูญเสียบางทีเงนินอาจจะหาย หรือบางทีทรัพย์สินที่เราปลูกไว้หรือสวนไรนาต้นไม้อะไรอาจจะเกิดแรงทั้งปีไม่มีพืชผลมาขายหรือว่าบางทีร่างกายเราตอนแรกก็ปกติอะตอนนี้เออเริ่มเจ็บเขาแล้วตอนนี้เริ่มเจ็บเอ็นแล้วตอนนี้เริ่มปวดหัวแล้วตอนนี้เริ่มเจ็บหลังแล้วตอนนี้เ ร, มมรเรามีโรคลุนแรงเข้ามาเพราะเราบอกว่านี่แหละเราจะทดสอบพวกเจ้าแน่นอนเพราะเราบอกว่าทดสอบแน่นอน ด้วยกับทุกรูปแบบของบททดสอบพวกเราพูดว่าไงครับว่าบาชิลิซโบิลินจงแจ้งข่าวดีให้กับผู้ที่อดทนพี่น้องที่ถูกเทดสอบจะด้วยกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการที่เราสูญเสียคนทีนเป็นที่รักหรือร่างกายที่เรามีอะไรก็ตามพี่น้องที่ถูกทดสอบอัลลอฮ์บอกไว้ครับว่าจงแจ้งข่าวดีจงรับข่าวดีไปอัลลอฮ์ประกาศข่าวดีให้กับพวกเราทุกคนที่อดทนเพื่อพระองค์พัลลอฮบอกว่าไงครับจงแจ้งข่าวดีกับ ผู้ที่อดตนว่าบาชริซาบิลินอัลลอฮ์รีเอละอัลลอฮ์บัตฮุมุซีาใครก็ตามที่เขาถูกทดสอบสักหนึ่งอย่างอะไรก็ได้ที่เป็นบททดสอบที่เป็นการสูญเสียที่เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบที่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกไม่ดีโดนสักอย่างนึงก็ดูอินนาริแลฮิวอินน่าอิลัฮิราจุนพวกเขาจะพูดว่าไงครับเราน่ะเป็นของอัลลอฮ์อยู่แล้วแล้วเราต้องกลับคื้นไปสู่พระ อ, องค์พวกเราก็ค่อยๆเอากลับไปทีละอย่างทีละอย่างก็แค่นั้น พี่น้องดูอาอินนาอิลลาไว้อินนาอิลลาอิลลรยจูนไม่ใช่ดูอาแค่ตอนมีคนตายนะบางคนเข้าใจว่าเป็นดูอาตอนคนตายดูอาบทนี้เป็นดูอาที่ใช้พอกระกาเราวในกุรานสําหรับคนที่เกิดการสูญเสียอะไรก็ตามพี่น้องที่รักนี่ครับมีซอบาอยู่ท่านหนึ่งถูกัรถทดสอบให้เขาสูญเสียแขนขอมาบสูญเสียขาขาให้เขาเป็นโรคเรื้อรังต้องตัดทิ้ง พอถึงเวลาเขาฟื้นมาหมอบอกว่าขอแสนความเสียใจนะขาของคุณเราต้องตัดทิ้งท่านฉนั้นตอบว่าไงครับฉนั้นตอบว่าไม่เป็นไรหรอกขัาห้ามในรักขอบคุณล้อพวกเราให้ฉันมาตั้งสี่พวกเราเอาไปแค่อันเดียวฉันยังเหลืออีกตั้งสามเหลือแขนสองข้างเหลือเท้าอีกข้างนึ่งขอบคุณล้อพี่น้องแปลงหัวใจผูกพันกับบอลล็อตพอใจกับบททดสอบของบอลล็อตบอลล็อกก็พอใจท่านพอมีขาว่าลูกที่เขารักมากเสียชีวิตเขาก็บอกว่าขอบคุณบอลล็อ ฉันมีลูกสิบคนพ่อเลาะไปแค่คนเดียวแล้วถึงเวลาเอาไปเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ได้ไปเจอกับเขาอินเนลิลาฮิเราเป็นของอัลลอฮ์เราจะทดสอบยังไงเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แต่พ่อเลาะนั้นเมตตาพ่อเลาะนั้นยุติถามเพราะนั้นพี่น้องที่ดูเลาทดสอบบางท่านโดนทดสอบมาเกือบจะตลอดชีวิตบางท่านโรคโรคเรืเ้อนเป็นเรื้อลังมันหนักเหลือเกินพี่น้องอย่าให้มันไร้ค่า อย่าให้มันไรค้ค่าหมายถึงว่าทุกบททดสอบที่พี่น้องเจออย่าลืมว่าพี่น้องต้องคิดถึงพระองค์ละอย่าไปคิดแบบผู้ไปเสียศรัทธาผู้ไปเสียศรัทธาเขาอาจจะคิดว่าอ๋อมันเป็นกรรมหรือว่ามันกระต้องทนไปชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเขาหาทางออกอย่างอื่นเพื่อมาปลอบใจเขาซึ่งมันไม่ยังประโยชน์อะไรกับเขาถ้าจะยังประโยชน์กับเราในบททดสอบที่พระองค์ทดสอบเราคือเราต้องคิดถึงพระองค์ ยาลละพ่รละเป็นผู้มอบบททดสอบนี้มาให้กับฉันอัลลอฮฺโปรดทําให้ฉันมีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนกับท่านนบีมุสลิลสัมตันที่ท่านอุ้มลูกชายก่อนที่จะเสียชีวิตตอนที่ท่านอุ้มอิบราฮิมก่อนจะเสียชีวิตเมื่ออิบราฮิมเสียชีวิตคาอกของท่านนบมีมุสลลิลฮุสแลมท่านนบีก็ร้องไห้แต่ท่านนบีบอกว่าไงครับตานั้นก็หลั่งน้ําตาหัวใจนั้นก็เศร้าแต่ปากของเรานั้นจะไม่พูดอะไรที่ทําให้นายของเรานั้นโกรธคิว อิบราฮิมการจับไปของเจ้านั้นพ่อเสียใจนี่คือมุสลิมครับไม่ว่าเราจะเสียใจเสียใจก็คือเสียใจไม่ใช่ว่าเสียใจบอกฉันไม่เสียใจอันนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่ในทุกอารมณ์ของเราในความสุขของเราในความทุกข์ของเราลิลาฮิรับบิอลอยลามินหวังอยากให้อัลลอฮ์รักเราเพราะนั้นพี่น้องที่รักครับพัลลอา์นั้นเป็นผู้ที่ยุติธรรมแล้ว พี่น้องครับนี่คือข่าวดีเป็นข่าวดีสําหรับผู้ใดก็ตามที่รู้สึกว่าถูกทดสอบหนักเหลือเกินหลายครั้งเราจะพบว่าทำํำไมคนดีๆโดนทดสอบหนักๆพี่น้องเคยเจอไหมครับบางคนเราดูปุ๊บคนเนี่ยน่าจะเป็นคนดีนะเราดูปุ๊บอามันเขาก็ดีคําพูดเขาก็ดีๆไปหมดถ้าไม่ถูกทดสอบเขาโดนหนักเกินท่านอับดุลลาห์สัมได้บอกเขาไว้ครับในที่ของท่านซะบินอับีุบากรสจากท่านซะบินับกรสครับ ส ال لم, อุสมมีคนมาหาท่านนบีครับแล้วถามว่ายารรสูละใครคือคนที่ถูกทดสอบหนักที่สุดเลยใครคือคนที่ถูกทดสอบหนักที่สุดท่านนบีลลมบอกว่าไงครับ อ, ลอบ اء, มมัลอมลัมบยซุมมอัมลฟัลอมลัมลยบตลรลอลฮะบิดีนีฮิุบนัลลอฮ ท่านอับดุลเบบีมุสลาสัรรรมบอกว่าบุคคลที่โดนทดสอบหนักที่สุดคือบรรดาศาสนาทูตคนที่อเอารักมากที่สุดโดนทดสอบหนักที่สุดหลังจากนั้นคนที่ดีถัดมาหลังจากนั้นคนที่ดีถัดมาแล้วท่านอบดบีมุสลาสัรรรมได้พูดสรุปให้เข้าใจ ง, ง่ายๆไม่ต้องไปตีความเลยท่านอบีบอกว่าไงครับคนคนหนึ่งจะถูกทดสอบโดยขึ้นอยู่กับการศรัทธาของเขายิ่งเขามีความศรัทธาที่ มั่นคงยิ่งใหญ่เพียงใดบททดสอบก็จะหนักสําหรับเขายิ่งเขามีบทมีอีิมาในความศรัทธาที่น้อยบททดสอบก็จะน้อยถามว่าทําไมท่านบบอับดตยีุลมาตอ์แล้วบททดสอบมันจะมีเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งบ่าวคนนั้น เดินบนผืนแผ่นดินโดยที่ไม่เหลือความผิดใดๆเลยบนเขาโดยไม่เหลือความผิดใดๆเลยบนเขายิ่งอววรักมากก็ต้องทดสอบมากๆเพื่อให้ไม่เหลือบาปเลยเมื่อไม่เหลือบาปปุ๊บโลกหน้าเขาก็เป็นผู้ที่สะอาดเป็นหัวใจที่สะอาดเขาก็สามารถอยู่ในสถานที่ที่สะอาดที่สุดนั่นก็คือสวรรค์ชั้นฟิลด์ดาวส์ได้สวรรค์ที่ดีงามที่สุดที่งดงามที่สุด เพราะั้ใครที่โดนอัลลอฮ์ทดสอบหนักๆขอให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเรามากอย่าให้บททดสอบนั้นมาทําให้เราต้องกลายเป็นศัตรูของอัลลอฮ์อย่าทําตัวเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ด้วยกับบททดสอบหนักๆที่เรามาเจอถ้าเรายังเดินบททดสอบอยู่ขอให้รู้ว่าอัลลอฮ์ยังรักเราอยู่ถ้าเรายังไม่สบายและยังมีโรคประจําตัวทั้งๆที่เราเป็นมุสลิมทั้งๆที่เราละหมาดคบให้เวลาทั้งๆที่เราทําอามัณฑสารพัต แต่เรายังโดนบททดสอบในเรื่องใดก็ตามในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องสุขภาพในเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราอย่าไปคิดแบบคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมไอ้เนี่ยพระเจ้าคงจะเกลียดได้เนี่ยละหมาทั้งวันแต่ทําไมพระเจ้าทดสอบมันหนักเหลือเกินนั่นคือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ผู้ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาก็จะมองอัลลอฮ์ในด้านลบซึ่งอัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วว่าไงครับข้าจะเป็นไปตามที่บ่าวของข้ามองจงคิดกับข้าตามที่เขาต้องการ ถ้าคิดว่าอาลัลลอฮ์ไม่ดีอลัลลอฮ์ก็จะไม่ดีใส่เขาถ้าคิดว่าอาลัลลอฮ์ดีอลัลลอฮ์ไม่ตาอาลัลลอฮ์ก็จะดีแล้วก็ไม่ตากับเราเพราะฉะนั้นจากคำพูดของท่านลุกมาครับที่พูดกับลูกชายถ้าบพี่น้องจําได้นะครับท่านลูกมาบอกว่าไงครับทองคํากับแร่เงินเนี่ยมันต้องถูกทดสอบด้วยไฟถึงจะรู้ว่ามันบริสุทธิ์แค่ไหนถึงจะรู้ว่ามันสะอาดแค่ไหนถ้าทองอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์มากแค่ไหนต้องเผาไฟถูกไหมครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นทองบริสุทธิ์มากๆก็คือถูกเผาก็จะยิ่ง แสดงความสวยงามของมันออกมาเช่นเดียวกับแพร่เงนินถ้าลูกมันก็บอกกับลุกชายว่าไงครับเช่นนี้แหละคือบททดสอบของอัลลอฮ์คนดีๆยิ่งอัลลอฮ์ทดสอบเขามากเท่าไหร่อีมาเขายิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับแน่นอนเราไม่อยากเผชิญกับบททดสอบซึ่งผมก็พูดเป็นประจำว่าไม่ต้องไปขอโดยจากละวายออัลลอฮ์ทดสอบฉันเยอะๆอัลลอฮ์จัด ก, การฉันเยอะๆเอาหนักๆเลยไม่มุสลิมเราไม่รบหาที่คือมันมาอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวมาอยู่แล้ว ยิ่งอม م านเยอะบททดสอบมันยิ่งเยอะเราขอโดยตามที่ท่านบีสอนไว้ว่าไงครับรับไดนะอาตีนะฟิลุนยาฮัสนะบทฟิลอาคราติฮัสนะวกินาดะบานานอบิบานโอนายของฉันโลกยุญญนยาเนยขอให้ได้เจอสิ่งที่ดีโลกหน้าขอให้ได้เจอสิ่งที่ดีขอให้ฉันรอดพ้ดจนจากไฟนรกเช่นเดียว ก, กันกับที่พวกเราสั่งให้เราขอในช่วงท้ายของสุรบักรอรับไนตอคิเนอินซีนอักตะน เราเป็นเวาล้วจะพมิลอะไรนะอิสลองก็ ม, มาพมลต่อหัวเราล้วนีนะ่มินก็เปนนะโอบิบารของเร า, า, เาผิดและเราเนะี่ยทะเราผิดพาดไปถ้าเราหลงลืมไปถ้าเราไม่รู้โอุิบารของเราอย่าให้เราแบกรับอะไรที่มันหนักหนักเหมือนคนก่อนหน้าเราโปรดให้ความเมตตาแก่เราโปรดให้อภัยเราพ่องเป็นที่รักของเราโปรดให้เรามีชัยเหนือบรรดาผู้ที่เป็นผู้ไปเสียสัทธาด้วยเถิดนี่คือดูอาที่มุสลิมขอเราไม่รอนหาที่ แต่ในขณะเดียวกันเราก็พร้อมเผชิญกับปัญหาด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาต่อเรานี่คืออีกสองคุณลักษณะครับที่เราพูดคุยกันวันนี้ที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์ยังรักเราอยู่อันที่เราพูดสองอันในวันนี้นะครับอันแรกก็คือเมื่อพระลอให้โอกาสเราได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราได้ให้เรานั้นทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเมื่อเรานั้นทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นั้นแสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเรา เช่นเดียวกับว่าเมื่อเราทั้งทั้งที่เราทําความดีทั้งทั้งที่เราลำมาทั้งทั้งที่เราจ่ายสักจะทั้งทั้งที่เราพยายามทําตัวดีที่สุดแล้วแต่เรายิ่งเจอบททดสอบเยอะๆก็ขอให้รู้ว่านั่นแสดงให้รู้ว่าอั๋อ กำลังรักเราอยู่ครับผมครับสำห ร, รับวันนี้ถ้าเกิดผมพูดสิ่งใดที่ว่าลุ้งเกินท่านใดไปก็ขอมาพี่น้องทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอรับจากพวกลอสซึมฮาตาลาผู้ทรงนิย่ผู้ทรงสูสงทรงผู้ทรงเป็นนายของพวกเราผู้ทรงที่ว่าไม่ถูกบังเกิดแล้วพวกนั้นก็ไม่ได้คลอดใครออกมาผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพคกผู้เป็นที่พึ่งเดียวเท่านั้นของพวกเราทุกคนขอรับจากพวกลอสซึมฮาตาลาละให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าได้เห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูก แล้วก็เราเน้นทําตามสิ่งที่ถูกนั้นได้แล้วก็ขอให้เราเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ขอให้เรานั้นออกแคมจากมันได้ครับผมขอเราจากพ่อร้อยเรานั้นเป็นที่รักของพงค์ขอให้เรานั้นรักพงค์รักการงานที่ทําให้พงค์รักแล้วก็รักผู้ใดก็ตามที่พงค์นั้นรักเขาแล้วเขาก็รักพงค์ครับผมก็สำหรับคําถามถ้าพี่น้องมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเราอาจจะพูดคุยกันได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะจบการพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผม เมื่อกี้เหมือนเห็นคำถามคุตูบาบอกว่าบททดสอบกับบาลาต่างกันอย่างไรพี่น้องที่รักปัญหาก็คือบ้านเราใช้ศัพท์ใช้คําสับสนคือบ้านเราทับศัพบภาษาไทยกับภาษาหลักบางทีสับสนแล้วไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรบททดสอบกับบาลาคือเรื่องเดียวกันบททดสอบกับบาลาคือเรื่องเดียวกันแต่ถ้าพี่น้องหมายถึงการลงโทษ บางทีเราพูดคาว่าบลาเราเข้าใจมันคือการลงโทษจริงๆบลาแปลว่าการทดสอบพี่น้องในภาษาหลับบลาอิบแตล่าว่าอิบบัตเตล่าอิบรอยหิมเมื่อพวกเราได้ทดสอบอิบรอยหิมเพราะฉะนั้นคาว่าบาลากับคําว่ า, วาทดสอบมันเป็นคําเดียวกันบางทีเราเข้าใจผิดว่าบลาแปลว่าการลงโทษบลาแปลว่าทดสอบแต่การลงโทษก็คืออัดรับโอเคผมเปลี่ยนคําถามที่คุณตูบาถามนะครับว่าบททดสอบกับการลงโทษเนี่ยมันต่างกันยังไงบททดสอบ กับการลงโทษต่างกันยังไงวะครับลอฟีกลุมครับเอาแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในตอนตอน่อไปอินชาลอ้ะนะครับถึงข้อแตกต่างระหว่างบททดสอบกับการลงโทษแต่ที่บอกตอนนี้ก่อนก็คือว่าเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เราทําความผิดเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เราทําความผิดแล้วอลัลลอฮ์ลงโทษเราแล้วเราไม่มีโอกาสได้กลับตัวนั่นเรียกว่าการลงโทษคือ อะไรก็ตามที่มันโดนที่มันหนักหนักที่โดนแล้วมันหนักสาหรับเราในดุนยาเนี่ยแล้วมันไม่ส่งผลให้เรากับเนื้อกับตัวมันไม่ส่งผลให้เรามี إ ي م านมันไม่ส่งผลให้เราคิดได้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นการลงโทษ <c oughs> ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ความหมายส่วนหนึ่งของคำว่าการลงโทษซึ่งในเชาาแล้วครับความหมายที่จะละเอียดกว่านี้ เดี๋ยวจะพูดกันในที่หน้าเช้าแล้วเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับหัวข้อตอนต่อไปเลยด้วยตอนนี้เขา อ, อ่านให้จบก่อนนะครับถ้าเราผ่านเหตุการณ์บางอย่างมาแล้วเราอยู่ในแนวทางทางวิทยาศาสตร์และสุนทรภามากขึ้นถือว่าบททดสอบใช่ไหมคะก็ถูกต้องครับผมถ้าอะไรก็อาจจะเป็นการลงโทษ ด, ด้วยก็ได้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการลงโทษของพวกเรามี2ระดับลงโทษเพื่อให้คิดได้ถ้าเป็นการลงโทษเพื่อให้คิดได้เราเรียกเป็นบททดสอบถ้าเราผ่านมันมาได้แบบดีนะครับ มันเป็นทั้งบททดสอบแล้วก็การลงโทษสถานเบาการลงโทษมีสองแบบนะการลงโทษสถานเบากับการโทษสถานหนักการลงโทษสถานเบาคือลงโทษแล้วยังให้โอกาสได้คิดลงโทษแล้วยังให้โอกาสได้คิดถามว่ามุสลิมคนดีมีสิทธิ์ถูลงโทษไม่มีสิทธิ์เหมือนใครครับเหมือนอามีญูนุสไงทำสิ่งที่ผิดมาใช่ไหมหนีกลุ่มชนมาใช่ไหมพอแล้วลงโทษไงครับให้โดนปากอื นั่นคือการลงโทษเป็นการลงโทษจากการทำความผิดนิดเดียวเพื่อเป็นการอภัยโทษในความผิดนั้นๆ น, น, นี่ถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบาแต่การลงโทษสถานหนักคือเมื่อใครก็ตามโดนมาแล้วชีวิตเขาจบเลยอย่างเช่นทำซีนาอยู่แล้วก็นาอุบิลามิซาลิกอาจจะตายคาอกอย่างนี้เขาพูดกันอันนั้นคือถูกลงโทษแล้วหรือว่าทำความชั่วอะไรสักอย่างแล้วก็จบไปในสภาพนั้นไม่มีโอกาสเตาบ้าไม่เลยเตาบ้าอันนั้นเรียวกว่าเป็นการ ถูกลงโทษครับซึ่งก็ขอเดี๋ยวเจ้าพลอให้พวกเราไนดะ้รอดพ้นจากการถูกลงโทษที่ทำให้เรานั้นต้องจบชีวิตไปในสภาพของกาเฟสครับผมบาร์การลพี่กลุ่มครับพี่น้องถามว่าถ้าเกิดมีเรื่องอยากจะสอบถามศาสนาเดี๋ยวขอคุยหลังไม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอทักมาอินบ็อกซ์ผมดีทีเช้าล้วครับผมเนี่งตอนนี้ครับก็น่าจะได้กับเวลาแล้วครับก็ ขอรัวจับผู้รอดให้การที่พวกเรามาพูดคุยกันนี้นะครับอยู่ในตราช่งที่งดงามของพวกเราทุกคนแล้วก็ขอให้เป็นการใช้เวลาที่อัลลอฮ์รักแล้วก็ขอให้กุรอานนั้นเป็นปรเบียเป็นรูปใบไม้ผีในหัวใจของพวกเราขอให้พวกเรานั้นรักรักอัลกุรอานมากยิ่งขึ้นรักคําพูดของผู้รอดรักผู้รอดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้ผู้รอดสุบฮะตานั้นรักพวกเราด้วยเถิดครับอาเมนครับผม และสักกรุณาลิบุณคุณและสั่งให้มุสลิมีนั้นจาวามรู้สึกที่ด ا ที่สุดที่จ ب บ ل ก ك ห้คุณรู้วกักใหครู้วต้อไรและสควาคุณต้ารองอะไลอกครับครับ